ท่านสาธุชนบริษัทวันนี้คงยังเป็นวันที่แปดตุลาคมสองพันห้าร้ยสามิบสามตามเดิมแต่ว่าพูดเป็นตอนที่สองตอนนี้ขอพูดถึงตอนที่ไทยจะเป็นมหาเศรษฐีถ้าสงครามโลกเกิดขึ้นท่านนัหลายคิดเอาไว้อยังว่าสงครามโลกเกิดขึ้นแล้วก็มันไม่ได้เกิดกับประเทศไทยโดยตรง ไม่เกิดภายนอกประเทศนอกเขตของไทยเป็นอาลุกปืนก็ไม่มาถึงประเทศไทยเครื่องบินก็ไม่มาถึงประเทศไทยแต่ต้องระวังจรวจแต่เรื่องจรวดที่ต้อระวังกันหน่อยเพราะจรวจมันมาจากใต้น้าได้ยิงได้ไ ด, ได้ด้ทางไกลได้ถ้ามันได้เกิดขึ้นบ้างก็เป็นขนาดย่อม ว่าทำจุดต่างๆเป็นจุดเล็กๆอาจจะโผล่ข้นจุดนี้บ้างจุดนั้นบ้างเป็นการทําให้รวนกําลังเขาตองหารรวนเข จ, จะตั้งกลุ่มรึ้นบางจุดเป็นกลุ่มใหญ่หน่อยก็ไม่มีอะไรน่าหนักใจกลุ่มความสงครามโลกไม่มีเรื่องหนักใจในเรื่องการตายของเราเรื่องดังสีของวิทยาศาสตร์และสมีต่างๆไม่ต้องวิตกข้างบน พอยืนยันว่าบุาคคลที่นับถือพระพุทธเจ้าจะไม่ตายเพราะรังสีต่างๆตามที่บอกมนแล้วนี่ความร่ำรวยอะไรมันจะเกิดขึ้นบ้างการแรกเขาบอกว่าเรื่องน้ำมันจะเป็นเหตุให้รวยเพราะทุกประเทศต้องใช้น้ำมันนีเป็น ก, การหนึ่งนั่นคือว่าถ้าสงครามโลกเกิดขึ้นจริงๆ <c oughs> งแม้ว่าเราจะไม่ได้เข้าสงครามโดยตรง แต่ว่าทหารของประเทศบางประเทศ <c oughs> อาจจะต้องยกเข้ามาตั้งในจุดใดจุดหนึ่งของประเทศไทยเวลานั้นเราก็ไขน้ำมันให้เขาเราก็รวยถ้ามีกองทหารอื่นเข้ามามันจะดีหรือไม่ดีก็นี่เป็นเรื่องเกเหมืองแต่วิวัฒาารเป็นเกิดขึ้นก็ต้องยอมรับถ้ามีการยอมรับไรายได้ต่างๆของประชาชนก็เกิดขึ้น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 ขายได้ไหล่แล้วเป็นล้านนี่ก็เห็นใจเหมือนกัน <c oughs> ความจริงเงินนับล้านนี่เป็นของหายากก็เห็นใจเขาอาจจะตั้งตัวอย่ากได้ย่างไงก็ได้ถ้าไม่ลืมตัว <c oughs> แต่ว่าบางท่านที่ไม่มีโอกาสจะขายนาของท่านได้นาของนังท่านอยู่ไกลที่จเจริญอยู่ไกลแม่น้ําไกลถน น, น ถ้าเขาจะื้อก็ซื้อราคาถูกท่านก็ไม่อยากจะขายก็จะขายราคาแพง <c oughs> ในที่สุดท่านก็ไม่มีโอกาสจะขายในเมื่อเวลานี้ไม่มีโอกาสจะขายท่านอาจจะเสียดายว่าที่นานของเราไม่ได้ขายเราไม่รวยแต่ถ้าว่าถ้าสงครามโลกเกิดขึ้นจริงๆท่านจะดีใจเพราะนาท่านไม่ได้ขายทั้งนี้เพราะอะไรก็ข้าวของท่านเดี่ออกมาราคามันแพง มันยังขายได้ดีทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะแพงกันหมดดูสงครามโลกครั้งที่สองทุกสิ่งทุกอย่างมันหายยากยิ่งเขายิ่งลบกันโอกาสที่เขาจะทำมันก็มีน้อยเขาต้องใช้เวลาลบกันมากขึ้นตอนนี้เราก็ขายได้ดีมาส่วนด้าอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมก็ดีมากแต่พวกอุตสาหกรรมเต้องระวังโรงงาน โรงงานต่างๆต้องระวังระเบิดภาคพื้นดินไม่ใช่ระเบิดจาอากาศร <c oughs> ะเบิดภาคพื้นดินจะอารวาสถ้าถามว่าจะหาทางป้องกันยังไงนี่เป็นเรื่องของเจ้าหน้าทีต่ตำรวจทหารถ้าเจริญเลยว่าท่านจะขอโรงงานทางด้านพุทธศาสนาก็มีบอกไม่ได้จะบอกได้ยังไงว่าเรานับถือพระเจ้าเท่ากันหรือเปล่า ถ้านับถือพระพุทธเจ้าเท่ากันก็เอาของที่ท่านให้ไว้ท่านให้ไว้ก็คือความดีของดีถ้ามีไว้ในรัศมีนั่นจะไม่มีอันตรายจากภัยระเบิดไื่ภัยโจมตีต่างๆจะไม่เกิดขึ้น <c oughs> เหมือนกับสมัยมีผอกคออในที่ต่างๆเคยถูกโจมตี ถ้าเราฐานจะของกฐานที่นั้นเจ้าที่ไนที่นั้นเกิดมีความเคารพพระพุทธเจ้าขึ้นมามีของใหญ่ของอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสั ญ, ญลักษณ์แสดงไว้เป็นเขตในเขตนั้นปรากฏว่าตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาไม่เคยถูกโจมตีเถ้าข้าสุจยิงเข้ามาก็เข้าไม่เข้าฐานที่ของนั้นไม่เข้าฐานเป็ น, นั้นว่าจะหารในเขตนั้นก็ปลอดภัยข้อนี้เป็นสั ญ, ญลักษณ์ก็ได้เห็นว่า ถ้าเราหน้าผีพระพุทธศาสนาจริงถ้า <c oughs> ยอมรับหน้าผีพระพุทธเจ้าจริงสิ่งใดที่ท่านให้ไว้สิ่งนั้นเราเคารพด้วยความจริงใจถ้าทุกท่านจะปลอดภัยจากสงครามโรกครั้งทีสามตอนนี้ถ้าโรงงานต่างๆมีความเคารพพระพุทธเจ้าด้วยความจริงใจจริงๆโรงงานนั้นๆจะพ้นอันตรายจากระเบิด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 แล้เมื่อขายขอราคาได้ราคาแพงมากเพราะรัฐบาล็จะไปะเภีษีก่อนมากขึ้นประเทศก็รวยคนก็คนในประเทศก็รวยนี่พูดถึงความร่ำรวยที่ไทยจะเป็นมหาธธเศรษฐีโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมันตามจุดต่างๆที่ที่เขาที่บริษัทเขาเจอไว้เขาบอกว่ามันไม่พอใช่มันก็จะปรากฏขึ้น กเราไม่มีโอกาสซื้อน้ำ ม, มันต่างประเทศถ้าน้ำ ม, มันต่างประเทศจะซื้อได้ยากก็ราคาแพงอันนี้เขาก็จะดึงขึ้นมาใช้ราคาเหมือนราคาต่างประเทศอย่างนี้อุตสาหากรรมของเราก็จะรวยไม่ได้ถ้าบังเอิญคนไทยอย่างที่ฝังใช้หัวเจาะลึกๆหัวเจาะยายาวเจาะลงไปลึกๆแต่ตามหลัก น, น, นักวิชาการเขามีอยู่แตมาก็ไม่ได้ค้านตามนั้นนะ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 ถ้าใช้หัวเจาะประมาณหกกิโลเมตรยังคือเจาะอย่างนี้มันต้องใช้กี่บอ่อแล้วแค่เพียงแค่สิบบอ่อเดึงกันวันไม่รู้จักทะเลเท่าไรก็มันจะหมดเราใช้ประมาณสามสิบเท่าหรือสามร้อยเท่าเขาเวลานี้สักพันปีมันก็ไม่หมดเพราะมันเป็นทะเลใหญ่เ <c oughs> นี่ยดก๊กตสรศาทตรงพูกอย่างนี้นะ ถ้าบัเอิญคนไทยของเราดึงขึ้นมาได้เองแล้วก็กดราคาน้ามันให้ต่ำลงไปอย่างแพงที่สุดก็ท่าน้มันในราคาน้ามันในเวลาปัจจุบันทักษาราคาน้ามันไว้ต่างประเทศเขาต้องซื้อแพงเราถูกอุตสาหกรรมของเราก็มีราคาถูกขายก็ได้กำไรกำไรก็ยังมีมากกำไรจากอุตสาหกรรมด้วยกำไรจากเสพตกรรมด้วยก็กำไรจากน้ามันด้วย แล้วก็จะมีกำไงมากมายประเทศไทยก็จะไปมาหาเศรษฐีนี่ต่อไปก็มันมีเวลาเหลือบรรดาท่านพุทธบุตรศาสตร์ก็มาคุยกันว่าถ้าบังเอิญสงครามโลคไม่เกิดจะว่ายังไงก็ต้องตอบว่าถ้าสงครามโลกไม่เกิ ด, งง ก, ก, ก, ดก็เป็นของดีแต่ว่าท่านด็อร์สสาสตราศาสตร์นี่เช่นเดียวกันท่านบอกเขาไม่เรียกสงครามโลกเขาเรียกสงครามใหญ่ มันเป็นสุ้มันเป็นสุ้คลามใหญ่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่สุ้คลามโลกก็เป็นอันว่าเธงไม่จะเป็นสุ้คลามโลกก็ตามซุ้มคลามใหญ่ก็ตามถ้ามันเกิดขึ้นจริงแล้วก็บทเรียนจากซุ้คลามโลกขั้นที่สองมาใช้กันหนึ่งผ้าในสมัยนั้นหาคนนุ่งผ้าดีมากดีไต่ยากแต่ส่วนมากก็จะมีคนนุ่มผ้าขาด เพรเวลานั้นโรงงานทําผ้าของเราอย่งมีน้อยแต่เวลาที่โรงงานนั้ทําผ้าของเรามีมากแต่ก็ไม่แน่นอนนักบางทีระเบิดเพลิงจะเกิดจากผาคพื้นดินก็ได้ถ้าระเบิดเพขขลิงจากผาคพื้นดินเกิดกับโรงงานโรงาโรงานทําผ้า ข, ของเราก็จะไหลตัวไปผ้าก็จะน้อยอันดับแรกเตรียมผ้าไว้ก่อน อันดับที่สองเตรียมพื้นดินไว้ถ้ามีโยมั่งไม่มากใหม่ใหม่ก็จะเพิ่งีบขายเกินไปถ้าได้กาไรมากๆเป็น ล, ล้านๆก็ไม่ว่าอะไรขายเถอะถ้เาเก็บเงินไว้ดีอย่าใช่มันหมดตัวอย่า <c oughs> คิดว่าถ้ามันหมดตัวแล้วเราไม่มีทางจะห า, หาที่ดินมาขายได้ใหม่ว <c oughs> การที่สองรเราเตรียมไม่เตรียมกายเตรียมใจ เตรียมใจว่านึกถึงความจริงตามที่พระพุทธเจ้าทรงสังสอน่โลกเต็มไปด้วยความทุกข์โลกไม่มีความสุขโลกแอนิจังหาความเที่ยงไม่ได้ในเมื่อมันเป็นอนิจจังมันก็เป็นความทุกข์ในที่สุนก็เป็นอนัตตาตายหมดน่ถ้ามันเป็นอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรความจริงเป็นอย่างนั้นแต่เรายินยอมรับก็ไม่เป็นไรถ้าจิตยังไม่ยอมรับ มันก็มีความดิน้นรนมันก็มีความเร่าร้อนถ้าจะดิน้นรนจะเล่าร้อนขนาดไหนก็ตามเราก็จะหนีไม่พ้นในเมื่อห น, นีไม่พ้นเราก็ต้องทนสู้ทนสู้กับภาวะของสงครามตะนี้เราจะสู้กับใครแล้วก็สู้กับตัวเราเองนั่นคือต้องใช้น้อยกินน้อยนอนน้อยนอนมากๆ นอนมากๆแล้วตื่นไหวๆทางกาลังตาใช้กําลังร่างกายทําการงานให้ดีให้พูดอย่างนี้เราพูดเรื่อยๆไปนี้เป็นว่ารวะก็ตามวขัากรห้องตรานั่งเติมสัปปะสัรว์ท่านบอกว่าประเทศไทยจะเป็นมหาเศรษฐีแล้วคนไทยทุกคนจะเป็นมหาเศรษฐีไหมก็ต้องขอต่อว่าคนไทยคนไทยทุกคนไม่เป็นมหาเศรษฐีทุกคนแต่ว่าก็มีคนจนํานวนมากที่จะเป็นลูกศิษย์เขามหาเศรษฐี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 พอหายได้เลี่องตัวรอด <c oughs> ที่มีเงินเหลือเป็นแสงก็ถือเลี่องตัวรอดเหมือนกันที่ได้มาอย่างนี้เพราะว่าเรามีกําไรจากสงครามแต่เราไม่อยากให้เกิดสงครามตอนนี่มาพูดอีกทีหนึ่งที่ดาวุฒนบอกวศาสนาคริสจะสลายตัวแต่ศาสนาอิสลามท่านไม่ได้บอกว่าจะสลายตัวหรือเปล่าแต่ว่าพระพุทธเจ้าเคยตรัสบอกว่า ถ้าสงครามเกิดขึ้นข้างหลังหลังรุงธการแล้วองก์สมเด็จพระทพิแก้กล่าวว่ายักษ์นอกพุทธศาสนาจะรับราข้าวฝันตึงกันในกันจะตายไปฝ่ายครึ่งึงจะเลิกลากันตอนนี้ด้านรแรกของาศาสนาของเขาก็จะมีการหย่อนตัวลงไป้็ความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจความเสียหายเกิดขึ้น ตายไปฝ่ายละครึ่งนี่ไม่ใช่เล็กน้อยในบรรดาทนพุทธบริษัทการเชื่อพระเจ้าจะน้อยลงเพืออาจจะสลายตัวอย่างท่านดาพุธบอกก็ได้ท่นี้มาพูดถึงพุทธศาสนาบ้างทางพุทธศาสนาถ้าสงครามใหญ่เกิดขึ้นจริงๆทางพุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าพุทธศาสนา จะร่วมเรื่องได้จะมีความอุดมสมบูรณ์ได้เพราะคนเห็นทุกข์ในเมื่อคนเห็นทุกข์ก็ยอมรับนับถือสินธรรมมากขึ้นเฉพาะอย่างยิ่งนักบวชฝ่ายปฏิบัติเพรัะฝ่ายปริยัติตั้งกต่อีกฝ่ายหนึ่งต่างหากคือท่านเรียนแต่ท่านยังไม่ได้ทาเรียนรู้จะถือว่าไม่ดีไม่ได้ท่านก็ดีท่านมีความรู้ ความรูในด้านปริยัติก็จะเจริญขึ้นความสามารถในด้านปฏิบัติก็จะเจริญขึ้นในช่วงนั้นอาจจะมีพระที่ได้อภิญญาหรือ ว, ว่านักปฏิบัติที่เป็นฆราวาสที่ได้อัญญาเกิดขึ้นถ้ามีนักอภิญญาเกิดขึ้นในบรรดาท่านพุทธบริษัทอันตรายต่างๆจะเกิดขึ้นได้น้อยเต็มทีเพราะอาศัยอภิญญาช่วยดัง <c oughs> ลั้นนอกจากนั้น ความจเจริญรุ่งเรื่องทางด้านจิตใจของเราก็จะนุ่งเรื่องขึ้นมากเพราะเราไม่เสียหายมากเรามีความสุขในเมื่อเขาเลิกลบกันเขาก็ขาดขายเกือบทุกอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่อาหารการบริโภคเขาก็ขาดเราก็ขายเครื่องมือเครื่องใช้เขาขาดโรงงานในประเทศไทยของเราเวลานี้มีมากเราก็ขายเป็นรวมความว่าทุกอย่าง มันก็จะมีแต่วความก้าวหน้าจะมีความร่ำรวยดูตัวอย่างประเทศเยอรมันกับประเทศญี่ปุ่นเมื่อหลังสงครามโลกแล้วก็ถูกบังคับห้ามไม่มีทหารพอสองประเทศนี้ไม่มีทหารขึ้นมาไม่ต้องเสียเ ง, นงินค่ากองประมาทหารเพื่อนกองประมาทหารต้องเสียมากแลื่องาวุธยุทโธปกรณ์ต้องเตรียมเตรียมไว้บางทีไม่ได้ใช้ล่าสมัยต้องซื้อใหม่ของเก่าก็กเก็บไว้หรือก็คือว่าขายไป และนี้ไม่ในเมื่อไม่ต้องเตรียมการรบไม่ต้องเตรียมทหารก็ประมาณก็เหลือใช้ประเทศก็มีความร่ำรวยประเทศไทยเราก็ฉะนนั้นในสมัยเมื่อเคารพบกันเราก็พยายามประวิงทุกอย่างอย่าให้มีการรบถ้ามันมีความจำเป็นจริงๆก็จำกัดสถานที่รบมันหมายความว่าสงครามใหญ่ไม่มีใครก็าเข้ามาในประเทศไทยพวกเดียวก็ตีกันเขาตีกันทางโ น, น้น เขาไม่ตีมาทางนี้เขาอาจจะตีไปทังยุโรปตีไปทางเปอ์เอเมริกาเขาไม่ตีมาถึงประเทศไทยแต่ว่าประเทศไทยก็ต้องมีส่วนร่วมส่วนร่วมในความทุกข์ที่เกิดจากสงครามอันนี้ในเมื่อเขาไม่ตีเข้ามาถึงกขาเองก็มีความอดุมสมบูรณ์แต่ตอนนี้ขอทิ้งท้ายไว้นิดหนว่ตาตีเล็กมีนะตีใหญ่ได้ไม่มีมีแต่ตีเล็กก่อกวน สงครามก่อควาจะมีเป็นของธรรมดาทา <c oughs> งนี้ก็ต้องเชื่อความสามารถรัฐบาลนักทหารตำรวจเราสามารถจะควบคุมความสงบสุขไว้ได้เหตุต่างๆจะเกิดขึ้นจะไม่พ้นวิสัยรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจจะสามารถปราบปมได้ถ้าถามว่าเขาใช้รัศมีอาวุธเคมีใช้รังสีต่างๆ ก็ขอตอบว่าเป็นเรื่องเล็กๆพระพุทธศาสนาป้องกันได้แน่อันนี้ขอยืนยันจะเป็นนิวจนนิวเคลียร์นิวอะไรก็ตามเถอะขอยืนยันว่าพุทธศาสนาป้องกันได้แน่แต่ว่าทางนี้ท่านหลายต้องไปหาจากพระที่เป็นนักปฏิบัติทงด้านจิตใจนี่ข้าท่นข้าทิ้งฌานโลกีส่งตัวแล้วส่งตัวแล้วก็ส่งความเปริญยา ถามว่าเวลานี้จะหาที่ไหนก็ขอตอบว่าเวลานี้เพิ่งหา <c oughs> อาจจะมีที่ไหนบ้างก็ได้แต่ไม่มีใครเขาบอกกันถ้าถึงเวลานั้นจะปรากฏตนเองท่านจ ะ, ะแสดงออกมาในเรื่องความปลอดภัยว่าท่านสามารถจะป้องกันได้ถ้าท่านองค์ไหนจะเป็นพระก็ดีจะเป็นคราวาสก็ดีไม่ใช่หมายความว่าพระเสมอไปคราวาสที่มีความสามารถก็มีมา ก, ก <c oughs> ก็สามารถจะป้องกันได้มันก็านจะทําได้ก็เพึ่งท่านนั้นท่านต้องให้เป็นที่พึ่งแน่นอนก็ทั้งนี้เพราะว่าถ้าเราถ้าหาว่าเราทั้งหลายตายกันหมดท่านก็ตายเหมือนกันท่านอดตายเพราะว่าท่านนอนใสยพวกเรากินพวกเราหากินหาใช้เหลือแล้วก็ให้ให้ท่านอย่าสมมติว่าถ้าพระเป็นธรรมบาติเราก็ถวายพระถ้าจะบ้านอดจะบ้านตายหมดท่าก็ตายเพราะไม่มีใครจะให้ กอนนี้ชันใดเวลานี้ยก็าตามท่านที่ทรงอวิญญาจะเป็นถ้าก็ตายจะเป็นใคร ว, ว่าก็ตามไม่มีใครปกติดความสามารถสามารถจะป้องการรางันรังสีต่างๆได้และป้องกันสรรพาวุธได้ตามกาลังถ้าบุคคลที่ต้องตายไปบ้างก็ตามหมายเว่าบุคคลที่มีอายุถึงอายุไขบุคคลที่มีอายุถึงอายุไขที่เราป้องกันไม่ได้มันมีความจําเป็น คนประเภทนี้จะรบ ก, ก็าตายไม่รบ ก, ก็าตายนอนอเฉยก็าตายกินข้าวอยู่ก็าตายนอนหลับก็าตายคุยกันก็ตายพราะถึงอายุไขเวลานั้นมันต้องตายก็ะรองกวางว่าประเทศไทยไม่ต้องหนักใจเขาบรรดาท่านพุทธบริษัททุกคนยอมรับนับถือความดีของพระพุทธเจ้าไว้ความดีที่พระเจ้าให้ไว้ก็มีสี่อย่างเอาเอาทั 2, ้งสองสี่จกให้เปนการใบหวยเลยนะ สีที่หนึ่งก็เอาอย่างง่ายๆคือสังหาวตัตถุสี่เคื่อหนึ่งทานการให้ให้มีการสงเคราะห์ซึ่งการก่าไวยสร้างความรักหรือว่าจสร้างศัตรูการให้ทานนี่เป็นการทําลายล้างศัตรูไม่เกิดศัตรูขึ้นมาเพราะเราผู้คนผู้รับดมรักนบุคนผู้ให้ด้วยการได้สองปิยวาจาพูดดีผู้ดใดคนที่รับฟังมีความสุขจากคําพูดของท่าน เขาก็จะรักเราในเมื่อเขารักเราเราก็มีความสุขแต่การที่สามช่วยเหลือการงานซึ่งกันและกันถ้าเขาเกินวิสัยเราช่วยเขาก็จะเกิดความรักแต่การที่สี่เราไม่ถือตัวไม่ถือตนการไม่ถือตัวไม่ถือตนเป็จะเป็นตั ว, ตวแบบจใจเกิดความรักอันนี้เป็นความดีที่พระเจ้าให้ไว้ระเบียนดับแรกทักษากดสี่ประการนี้ได้บรรดาท่านนังไหล เราจะมีแต่คนรักเราจะไม่มีคนเกลียดนี่ก็แ ถ, ถามว่าในเมื่อเขาประกาศสงครามกันเขาไม่รู้จักกันเุ้ยิงกรวดมาจะทำยังไงไมันก็เป็นของไม่ยากเขาจะยิงมาหรือไม่ยิงมาแล้วก็ภาวนาพุทธโธไว้จิตใจยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าโดยตรงสิ่งใดที่พระเจ้าทาไวท่านให้ไว้เรานับถือด้วยความจริงใจสิ่งนั้นท่านอันหล จะป้องกันอันตรายท่านได้อย่างแน่นอนและประการต่อไปอีกสี่อย่างอีกสี่อย่างก็คือเรามีหันสรีเมตตาความรัก <c oughs> สร้างความรักทำจิตเกิดเกิดความรักทั้งคนแลสัตว์ทั้งโลกถือว่าเราเป็นมิตรกันในการงรงการที่สองมีความสงสารคอยเกือกดกันไว้เสมอใหญ่เห็ก์เกตตัวแต่การทรี่ทสมามยินดีเมื่อบุคคลเห็นได้ดีไม่ชาที่เสียใคร รายการนี้ห้ามไม่บุคคลนั้นถึงอายุไขต้องตายเพราะอาวุธต้องตายตามการเวลาแล้วก็วางเฉยในเมื่อมีความดีอีกสี่ราการอย่างนี้แลบรรดาท่พุทธบริษัททุกคนจะปลอดภัยอย่าลืมว่าสัญาวัตถุสี่เป็นความดีเล็กน้อยความดีขั้นต้นพราะไม่อย่างนั้นสี่เป็นความดีสูงสุดคือเมตตาความนักกรณาความสงสารโน迦มิจิตรอนโยน เห็นใครได้ดีพอยินดีด้วยอุเบกขาวางเฉยเมื่อเหตุร้ายเกิดขึ้นไม่สามารถจะยับยั้งได้ก็ทำใจวางเฉยไม่ดินน้นรนยอมรับความเป็นจริงนี่แป็นบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงเวลาเหลืประมาณห้านาทีก็คุยกันไปคุยมาย้อนถึงสงครามขันโลกขังอีสองอีสันนิดหนึ่งว่าทำไมถ้าสงครามใหญ่เกิดขึ้นคนไทยจะมีความแม่นของในพุทธศาสนามากขึ้น แต่ชี้ตัวอย่างเห็นสอย่างหนึ่งเพราะสมัยนั่นผู้พูดอยู่ในกรุงเทพแต่วันใดถ้าบุกคืนใดถ้ามีปกติเครื่องบินไม่มาทิ้งระเบิดเพราะสงครามโลกครั้งที่สองตอนเช้าไปบินระัติเวลานั้นคนหนีระเบิดกันบ้นบ้นนอกกันมากเมื่อตายเหวี่ยงกันมากคนใส่บาตมีน้อยพอกินแค่เช้าเพลินไม่พอกินแต่ว่าบาังเองเิญคืนไหนถ้ามีเครื่องบินมาทิ้งมาโจมตีที่ระเบิด เวลาเช้าไปบิ็นบาดปรากฏว่ามีคนใส่บาดมากเป็นพิเศษไปไม่ทันถึงครึ่งทางก็เต็มบาดยามบอดีไปจนสุดทางแล้วก็เดินทางกลับยังไม่ถึงครึ่งบาดแต่คืนไหนมีเครื่อง บ, บินมาโจมตีคืนนะั้นจึงต้องเช้ามีคนทําบุญกันมากเห็นว่าคนที่มีความรู้สึกว่าชีวิตของเราใกล้ความตายไม่มีความประมาทคือเขาจะถือว่าเป็นการฉลองชีวิตที่เกิดใหม่จากเ่อจากการโจมตีของฆาตสิก อ้าศึกเทิ้งทั้งระเบิดก็ทิ้งยิงกระได้ทล้วปืนก็ยิงแต่เขาก็ปลอดภัยยิงทำรุนกันใหญ่ข้อนี้ฉันใดบรรดาเจ้าพุทธบริษัททั้งหลายในเมื่อสองครามใหญ่ไปเกิดขึ้นเป็นสงครามที่น่ากลัวอาวุธในสมัย ส, ยสยงครามโลกครั้งที่สองถืว่าแหววุฒินั่นแหะเป็นสมัยล่าสมัยไปแล้วเครื่องบินสมัยนั้นเป็นเครื่องบินที่ดีที่สุดเวลานี้เขาเลิกใช้แล้ว <c oughs> เป็นสมัยใหม่เข้าดีกว่าสมัยนั้นมากอาวุธที่ใช้ใหม่ดีกว่าอาวสมัยนั้นมากทันทีก็ไม่ไกลสงครามเกิดขึ้นข่าวข่าวก็ย่อมถึงกันเวลานี้มีทั้งวิทยุมีทั้งโทรทัศน์ถ่ายทอดจากดาวเทียมเราสามารถเห็นภาพได้ในเหมือนการสูญเสียความตายเกิดขึ้นความทุกข์ก็เกิดขึ้นจิตใจก็เริ่มเป็นบุศล เวลานั้นบรรดาเต็นพุทธศาสนิีกระจนก็จะมีความมั่นคงในพุทธศาสนามากขึ้นเพราะกลัวตายสำหรับอีกด้านหนึ่งท่านนักปฏิบัติที่จะเริญสมาธิจิตก็จะเร่งรัดตัวเองให้ทำสมาธิดีขึ้นโดยหวังอย่างเดียวว่าถ้าตายแล้วไม่ขอเกิดใหม่อย่างเลวรยที่สุดตายใหญ่ความไม่พ้นไปสวรรค์ก็เอาแล้วถ้าดีกว่านั้นไปเป็นพรหมก็ดี ถ้าดีกว่านั้นปณิาพานในก็ดีถ่าเจร่ยร่งตัวเองไอ้การเร่งักตัวเองประเภทนี้กําลังใจก็จะเป็นส ม, สมาธิสุขสุขปัญญาก็าจะเกิดในเมื่อปัญญาเกิดก็จะใช้ผลของปัญญาใะยา น, นต่างๆที่ได้จากสมาธิและวิปัสสนาญาณมาช่วยบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายให้มีความสุขปลอดภัยอาราบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายมองดูเวลายก็หรือเวล า, ลานาทีสิเกศ ในตอนนี้ก็ขอสรุปว่าขบันดาท่านผู้บริสัทธาฤาษีองค์สมเด็จพระบรมโลกาเชตเตรียมตัวตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปว่าหนึ่งเราจะบูชาพระทุกวันนึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนหลับตื่นใหม่ๆนึกถึงพระพุทธเจ้าคือบูชาพระบูชาพระทว่าจะอื่นไม่ได้กพรว่านโมตักสาส า, า, สาหนด้วยความเคารพในพระพุทธเจ้าจริงเพราว่าพุทธทางสนังกระชามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง ธรรมังสนังกระชามิเขาเจะขอถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งชังขังสนังกระชามิเขาเจะขอถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแค่นี้ท่าก่อนหลับเทตื่นใหม่ๆทุกวันบรรดาเทพทธิดาสัจฉิหลายทุกท่านจะปลอดภัยและจะมีความรำ่ำรวยเวลานี้ก็หมดเวลาแล้วเข้าลัก่อนข้าความสุขสวัสดิ์ทีพัฒนาบคลสมบูรณ์ผลผลจงมีเด บ, บรรดาเทพุทิดาสาสนิกชนผู้รับฟังและผู้อ่านทุกท่าน